Oh. คำ ว, ว่าทำหรือธรรมะเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางคนส่วนใหญ่ในเวลานึกถึงคําว่าธรรมะเนี่ยหรือทำเนี่ยก็นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ถูกนะแต่ว่ายัางถูกไม่หมดนะเพราะว่าทำในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับคําว่าทำ ที่พชะเจาตรัส ว, ว, ว่าเนี่ยพระองค์เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าทูพพระองค์เคารพพระธรรมหรือเคารพธรรมเนี่ยทำในความหมายหลังนี้มันไม่ได้แปลว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงความจริงหรือสัจธรรมที่พระองค์สนคุ้งพบนะ ส่งคนพบแล้วเนี่ยนมาสอนสิ่งที่นำมาสอนก็เรียกทำรรสิ่งที่ส่งคนพบก็เรียกว่าทำพระ่จา้าพุทธาธท่านได้สรุปความหมายของธรรมเนี่ยว่ามีสี่ความหมายนะซึ่งก็เรียกว่าครอบคลุมนะถึงความหมายทั้งหมดที่มีนะของคำว่าธรรมหรือธรรมะนะความหมายสี่ประการนั้นมีอะไรบ้างนะ 1นึงเนี่ยคือหน้าที่ควาว่าหน้าที่นี่ ก, กว้างนะสองทำเนี่ยคือผลของการทำหน้าที่ได้แก่อะไรก็ได้แก่ความสงบความปกติสุขหรือว่าความเย็นรวมไปถึงนะการพ้นทุกข์หรือนิพพานเลยทีเดียว หน้าที่แล้วก็ผลของหน้าที่เนี่ยมันก็มีความหมายกว้างสุดท้ายแต่ว่าหน้าที่ที่ว่าคืออะไรเพราะว่าหน้าที่เนี่ยจะรวมถึงการที่เราดูแลร่างกายของเราด้วยการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรือว่าออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะหน้าที่ต่อร่างกายหรือรู ป, ปรขัน หน้าที่ต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะอันนี้ก็ก็หมายถึงความกตัญญูหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็หมายถึงการทําความดีการเ อ, อรื้อเฟื้อเกอื้อกูลหน้าที่ต่อธรรมชาติหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็ก็มีแตกต่างกันไปผลของหน้าที่นั้นคือความสงบ ความสุขความผ่องใสเบิกบานความตื่นรู้ความพ้นทุกข์นิพพานเป็นต้นทมในความหมายที่สมเนี่ยก็หมายถึงกฎธรรมชาติตรงนี้ก็ตรงคำว่าส at ัจธรรมนะเช่นอนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหรือว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมนะแต่เป็นธรรมที่ ทนเร่งมาถึงกฎธรรมชาติที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ า, เากฎธรรมชาตินี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ตายตัวเรียกว่าเป็นธรรมธาตุเลยและประการสุดท้ายเนี่ยธรรมเนี่ยก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีด้วยเช่นความอาฆาตพยาบาท ความโกรธความโลภพวกนี้นี่ก็เป็นเป็นธรรมนะแต่ว่าผู้ให้ถูกคืออกุศลธรรมนะอกุศลธรรมนะมันก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมฝ่ายอกุศลส่วนเมตตากรุณานะสมาธิวิริยะอันนี้ก็เป็นธรรมเรียกว่าฝ่ายกุศลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าทำเนี่ยจึงมีความหมายที่กว้างมากเวลาเราได้ยินคำนี้เนี่ยโดยเฉพาะจากตําราหรือจากครูบาอาจารย์ก็ต้องดูนะว่าท่านหมายถึงทำเนี่ยหรือธรรมะในความหมายไหนว่าเฉพาะความหมายแรกเนี่ยทำคือหน้าที่เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วนะมันก็ รวมไปถึงว่าเนี่ยการที่เราดูแลสุขภาพกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะนี่ก็เป็นธรรมนะเป็นธรรมที่มีต่อรู ป, ปขันธนะ์การที่เรารักษาใจให้สงบนะไม่ให้อกุศลครอบงำเ น, นี่ยนี่ก็เป็นหน้าที่หน้าที่เนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างนะ หน้าที่หรืองานภายนอกกับหน้าที่หรืองานภายในจะเรียกสั้นๆว่าทมกิจนะกับทมจิตก็ได้ทำกิจแล้วก็ทำจิตหน้าที่เนี่ยนะสประการนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าสาระสำคัญเลยนะของทมที่เราพึงปฏิบัติซึ่งจะเรียกว่าเป็น จริยธรรมก็ได้จริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนธรรมที่เป็นสัจธรรมหรือกฎธรรมชาติการทากิจและการทาจิตเนี่ย น, นี่เป็นหัวใจเลยนะของหน้าที่ที่เราพึงมีอย่างในโอวาทปาติโมนี่อันนี้ก็ชัดนะ3มข้อแรกเนี่ย การแม่ทำบาปท้องปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องการทำกิจส่วนการชลรสจิตให้ขาวรอบทำให้จิตผองใสนี่ก็เรียกเป็นการทำจิตแต่ว่าจำนวนไม่น้อยนะเวลาพูดถึงทมหรือธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยก็มักจะมองหรือนึกถึงเฉพาะแง่มุมแง่เดียว บางทีก็นึกถึงเรื่องการทําดีพระศาสนาสอนให้ละชัว่วทาดีอันนี้ก็มันยังแคบอยู่มันยังเป็นเรื่องการทํากิจนะแต่จริงๆแล้วพรธเจ้าท่านสอนเรื่องการทําจิต ด, ด้วยหรือบางคนเนี่ยก็นึกถึงพุทธศาสนาว่นนาพุทธศาสนาสอนให้ทําจิตอย่างเดียวมองข้ามการทํากิจการทําหน้าที่หรือว่างานภายนอก อย่างเช่นนะความมีเมตตากรุณาเนี่ยพรหมวิหารสีเนี่ยก็เป็นธรรมที่ชาวพูดเราคุ้นเคยกันรู้จักกันดีซึ่งคนก็มักจะเข้าใจว่าในเรื่องของนะความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันมีเท่านี้แหละก็คือพรหมวิหารสี่ ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์มุทิตาคือความยินดีเมื่อคนอื่นก็ได้ดีประสบความสำเร็จส่วนอุเบกขาก็คือการวางใจเป็นกลางหรือว่า ดูอยู่อย่างสงบแล้วคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราพึงทำต่อผู้อื่นก็มีเท่านี้ที่จึงไม่ใช่นะอันนี้มันจะเป็นแค่แง่เดียวหรือครึ่งเดียวนะคือเรื่องการทำจิตมันต้องมีมากกว่านั้นนะเมื่อทำจิตแล้วก็ต้องทำกิจ ด, ด้วยทำกิจคืออะไรก็คือลงมือช่วยนะช่วยโดยการแบ่งปันสิ่งของ สละสิ่งของอันนี้เรียกว่าานช่วยด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจหรือว่าคำพูดที่ดีก็เรียกวิยะวาจาบางทีก็ช่วยด้วยการลงแรงสละกำลังกายกำลังปัญญาอันนี้เราเรียกว่าอัจริยาหรือที่สมัยนี้เราจิตอาสาแล้วก็สมานณตาตานะก็คือการร่วมทุกข์ร่วมสุข จะช่วยคนเนี่ยมันต้องทํากิต ด, ด้วยนะลงมือทําไม่ใช่แค่ทําจิตอย่างเดียวชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยทําแค่นั้นนะจนกระทั่งมันมีคําที่เรียกว่าประชดนะชาวพุทธเนี่ยสมัยก่อนนะว่าเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยชอบแผ่เมตตาอยู่แต่ในมุ่งเนี่ยสมัยก่อนนี่คนไทยเราอยู่ในมุ่งกัน แผ่เมตตาอยู่แต่ในมุง้งแล้วเขาหมายความว่าเนี่ยมันควรจะออกจากมุ้งเนี่ยไปช่วยคนด้วยไอ้แผ่เมตตาอยู่ในมุ้งนี่มันก็เป็นเรื่องการทําจิตนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะถึงแม้ว่าสมัยนี้เราจะไม่ได้นอนมุ้งกันละอาจจะนอนมุ้งลวดแผ่เมตตาเนี่ยนะมันดีแต่ว่าต้องทํามากกว่า น, นั้นนะก็คืออ่าไปช่วยเขาด้วยทาน ด้วยปียะวาจาด้วยคําพูดด้วยกําลังกายกําลังปัญญาไอ้ส่วนนี้เรียกเป็นการทํากิจคือการลงมือจะเรียกาเป็นงานภายนอกนะมันต้องมี2 อ, อย่างควบคู่กันนะงานภายในกับงานภายนอกอทําจิตแล้วก็ทํากิจ ด, ด้วยอันนี้มปนสิ่งที่เป็นจะเรียกว่าเป็น เป็นหลักสำคัญเลยนะของธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยหรือการทำหน้าที่มีคำสอนบางนะบางบางข้อนะที่ท่านสอนเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ทำต่างกันอย่างเช่นในปะชิมโอวาเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเนี่ยในเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เวทยธรรมาสังคาราสังคารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตอนนั้นเนี่ยเราจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือบางทีก็แปลว่าเราจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็หมายความว่าให้เล่งขนขวายทําหน้าที่ทําสิ่งที่ควรทาอย่ารั้งรอยอยากพัดผ่อนแต่ว่าคําสอนเนี่ยบางข้อเนี่ยท่านก็พูดอีกแง่หนึ่งนะ อย่างเช่นบทพิจารณาอ น, านิจจานี่หรือว่าที่เราเรียกว่าบางสกุลตายเนี่ยบางทีเราก็ใช้ในการพิจารณาบางสกุลอยู่บ่อยๆอนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เทียเ่ยงนอนะเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สังคาญในที่นี้ท่านหมายถึงการปรุงแต่งก็คือให้การปรุงแต่งเนี่ยมันยุติหรือว่าไม่ปรุงแต่งจะแปลว่าปล่อยวางก็ได้นะการหยุดปรุงแต่งหรือการปล่อยวางเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะคนฟังคำสอน2ประการนี้ก็งงนะ ทำไมผู้เจ้าสอนไม่เหมือนกันสอนทีแรกนี่สอนว่าเนี่ยต้องขนไวายทำหน้าที่แต่ว่าบางครั้งก็สอนให้ปล่อยวางให้ขัดแย้งกันเนี่ยยังไม่ได้ขัดแย้งหรอกนะไอ้ขนไวยขยันทำหน้าที่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการทากิจในเมื่อสังขารหรือร่างกายเราเนี่ย มันจะเสื่อ ม, มจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยเร่งทำความดีส่วนทั้งการทําหน้าที่ต่อผู้มีพระคุณบุพการีจะให้งานการค้างๆรวมทั้งการมันทําความดีด้วยอันนี้เรียกลมๆว่เป็นการทํากิจนะส่วนการหยุดปรุงแต่งปล่อยวางเนี่ยเรียกเป็นการทําจิต มันไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะว่าการทําจิตในที่นี้ไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยคนมันก็จะว่าปล่อยวางเนี่ยคือปล่อยปละละเลยปล่อยวางนี่คือการทําจิตนะส่วนปล่อยปละละเล ย, เยคือการไม่ทํากิจซึ่งมันไม่ใช่เป็นคําสอนของพุทธศาสนาเป็นคําสอนสองข้อเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันนะเป็นแารพูดคนลงแง่ว่าเนี่ยในด้านหนึ่งเราก็ต้องขยันทํากิจนะ แต่ในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางก็โดยปารบถึงความจริงข้อเดียวกันก็คือว่าสังขารมันไม่เที่ยงสังขาร น, นี่มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาหลักอนิจจังเนี่ยนะในแง่หนึ่งมันกระตุ้นให้เราไม่ประมาทต้องค้นคว้าต้องเร่งทากิจนะอย่างที่เราเสือกันอยู่บ่อยๆเนี่ย บทหนึเพระเจกรพระเทกรัรกระตคาถาความเพียรไิกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ความตายของใครความตายของเราก็คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต้องรีรบทําความเพียรแต่ขณะเดยกันในเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็แปลว่าไม่อาจยึดมันถือมั่นได้เป็นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่อ่า จ, จะเป็นคนสัต์สิ่งของหรืองานการ นั่นจะได้ว่าเนี่ยการทากิจและการทำกิจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานคนละด้านแต่มันแยกจากกันไม่ออกมันคือการนับทำหน้าที่เหมือนกันนะแต่ทำหน้าที่คนละส่วนซึ่งสำคัญทั้ง น, น, นั้นถ้าเราจับหลังนี้ได้เนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ย ถ้าเป็นงานภายนอกนะเราก็ไม่ทิ้งงานภายในถ้าเป็นการทํากิตเราก็ไม่ทิ้งการทําจิตยรืัอย่างเช่นเวลาเราทํางานเนี่ยนะทำงานแล้วก็ทําตั้งใจทำนะในง่ายๆเรียกวาขนขวายทํามีวิริยะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักทําจิตก็คือมีสติกับการทํางานมีสติ ก, การทํางานแล้วก็คันเดียวกันก็ คอยเฝ้าระวังนะไม่ให้กิเลส ห, หรืออกุศลเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาขัดขวางการทำงานบางทีมันมีความท้อบางทีมันมีความโลภบางทีมันมีความมากมากอยากใหญ่บางทีงานที่ทำเนี่ยนะมาเป็นงานเพื่อส่วนรวมแต่บางทีถ้าเผลอเนี่ยไอความโลภมันก็ชักนำให้อ่า ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เช่นแม้ว่าจะทำงานรับผิดชอบส่วนรวมแต่ว่าก็ทุจริตนะคอรัปชันเนะี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะไม่ไม่ทำจิตนะปล่อยให้ความโลภเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็มีผลทำให้การทำกิจนั้นเนี่ยมันผิดพลาดคลายเคลื่อนหรือบางทีท้อแท้ท้อถอยก็ทำให้เลิกทิ้งเลิกงานกลางคันไม่ทำแล้วเบื่อแล้วนะบีถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก นะทั้งที่เป็นการทําความดีเป็นการทําเพื่อส่วนรวมปล่อยความทอ้อแทบปให้ความหงุดหงิดปล่อยให้ความโกรธแค้นเกิดขึ้นมันก็ทําให้หยุดงานเลิกทํางานนะนั้นถ้าเราไม่ทําจิตนะมันก็ทําให้การทํากิจเนี่ยมีปัญหาแม้จะเป็นการทํากิจที่ดีอย่าว่าแต่การทําเพื่อส่วนรวมเลยนะแม้กระทั่งการทําบุญทํากุศลการถวายทาน ถ้าเราไม่ทําจิตนะมันก็อาจจะเกิดความโมโหขุนมัวนะกับคนรอบข้างเราก็เห็นบ่อยๆนะคนที่ทะเลาะกันในงานบุญทั้งี้ทุกคนก็มาเพื่อทําบุญไนะม่ว่าจะเป็นงานกระถิ่นงานผ้าป่าบางทีมาทําบุญฉลองครูบาอาจารย์มาร่วมมุติตาจิตนะที่ท่านอายุเจ็ดรอบแปดรอบเนี่ย แต่ว่าลงเอยด้วยการทะเลาะ ก, กั น, นหรือว่าเหน็บแนมด่าทอกันบางทีมาทำโรงครัวโรงโรงทา น, นก็ทะเลาะ ก, กับเต้นข้างๆอันนี้เลยวว่าทำกิจแต่ไม่ทำจิตทำงานภายนอกไม่ทำงานภายในสุดท้ายให้งานภายนอกมันก็เสียหายการทำกิจมันก็เลยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การที่ได้บุญกับได้บาปอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักทำจิตการทำจิตในที่นี้มันก็มีความหมายกว้างก็ดูแลจิตใจของตัวไม่ให้อกุศลครอบงาไม่ให้ความเป็นแก่ตัวมาชักนำให้การทำกิจนั้นเนี่ยมันผิดทิศ ผ, ผ, ผิดทางกับเป็นไปเพื่อมาสนองกิเลสหรือความมากมากอยากใหญ่ของตัวเนี่ย ก็มไม่ใช่แค่งานที่เป็นงานส่วนรวมนะหรือว่างานที่เป็นการประกอบอาชีพอย่างเดียวนะแม้กระทั่งกิจพื้นพื้นเนี่ยเช่นการกินข้าวเนี่ยกินข้าวเนี่ยก็เป็นการทำกิจนะเป็นการทำกิจต่อร่างกายซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องอรู้ว่าควรจะกินอะไรและควรจะกินเท่าไหร่และควรจะกินอย่างไร ถ้าเราไม่ทำจิตเนี่ยคือไม่มีสติเนี่ยเห็นเห็นกันรสชาติหรือเพลินกับรสชาติเนี่ยมันก็ทาให้เราไม่อาจจะทาหน้าที่นั้นได้ถูกต้องแทนที่จะกินเพื่อสุขภาพก็กลายเป็นกินเพื่อสนองกินเละและสุดท้ายก็เป็นโทษต่อสุขภาพทำให้เจ็บป่วยหรือว่าทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในระยะยาว หรือบางทีก็ไม่ต้องระยะยาวนะทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่นไปกินเหล้ากินเบียร์จนเมามายนะอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองแทนที่จะทำกิดก็กลายเป็นการนะทำร้ายตัวเองอันนี้เพราะไม่ทำจิตนะไม่มีสติ หรือแม้แต่จะกินของที่ดีมีประโยชน์เนี่ยขณะที่เรากินนะเราก็มีสติในการกินรู้รู้ตัวนะในขณะที่เคี้ยวอาหารรับรู้รสชาตินะโดยไม่เพลิดเพลินไปกับมันหรือไม่รังเกียจนะเป็นทุกข์ไปกับมันเวลาเจอรสชาติที่ไม่ไม่เลิอร่อยไม่ถูกใจอันนี้มันก็เป็นการนะ ฝึกจิตไปในตัวนะไม่ใช่เพียงแต่เติมอาหารเพื่อมาหล่อเรื่องร่างกายแต่ว่ายัางเป็นการเติมสติความรู้สึกตัวเพื่อบำรุงเลี้ยงจิตใจด้วยมันก็แดงสองอย่างนะอันนี้เรียกว่าเรียกว่าทํากิจแล้วก็ทําจิตไปควบคู่กันอาบน้ําถูฟันก็เหมือนกันนะนี่เป็นการทํากิจต่อร่างกายแต่เราก็ไม่ควรจะแค่ทํากิจอย่างเดียวทําจิต ด, ด้วยนะก็คือทําด้วยความรู้สึกตัวให้ใจมีสติอยู่กับการ ถูฝันกำอาบน้ําไม่ปล่อยใจลอยใจฟุง้งหรือขุนมัวไปกับการคิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้มันก็เรียกว่าทําให้การ uh, ทํากิจเนี่ยมาเป็นการปฏิบัติธรรมนะเรียกว่าครบถ้วนนะการทํางานก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้ด้วยเหตุนี้แหละนะพราจารย์พุทธทาท่านพูดนะการทํางานคือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามไม่ได้เป็นงาน ทําทมาหาเลี้ยงชีพนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้น่าจะจะเป็นงานชนิดที่เป็นกิ จ, จวัตรประจําวันอาบน้ําถูฟันซักผ้าเมื่อการเป็นปการปฏิบัติธรรมได้ถ้าว่าเรารู้จักทําจิตและเช่นเดียวกันนะเวล า, าเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยนะเจ็บป่วยเราก็ต้องทำกิจนะทำกิจคืออะไรก็คือรักษา ร่างกายดูแลร่างกายนะกินยานะพาตัวไปหาหมอหรือว่าพักผ่อนให้พอเพียงแต่ากเทยกันแล้วก็ต้องรู้จักทำจิตด้วยนะคือว่ารักษาใจไม่ให้เครียดนะหรือว่ายอมรับกับความเจ็บความป่วยได้ไม่ตีไม่โวยวายตีโพยตีพายไม่ปล่อยให้ความกัดกรุ้มข้องงำใจ หรือทำยิ่งกว่านั้นคือรู้จักปล่อยรู้จักวางเออสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราในขณะที่เราตระหนักรู้ว่าสังขารไม่ใช่ร่างกายของสังขารร่างกายไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าสังขารร่างกายเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่เราก็มีหน้าที่ดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์นะเพราะว่าเราจะทำประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยร่างกายนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการพูดบรรยายทำไม่ว่าจะเป็นการเจริญสตนะิทำสมาธิก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นแม้ร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็ต้องดูแลนะสังขารร่างกายนี้ให้ดีอาการที่เราทําจิตนะจนกระทั่งปล่อยวางเห็นความจริงว่าสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลจากการทําจิตแต่ขณะเดีวยวกันเราก็ไม่ทิ้งการทํากิต ถ้ามีบางคนนะพอเห็นว่าสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราที่จริงมันเป็นแค่ความเห็นนะยังไม่ได้ถึงขั้นเห็นแท้แจ่มแจ้งนะแต่มันเป็นแค่ความคิดนะพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะพอป่วยก็ไม่สนใจมันไม่ใช่ของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดูแลมันอันนี้เรียกว่าทำจิตแต่ไม่ทำกิจ แบบนี้ก็มีเยอะนะเพื่อที่ฝึ ก, กจิตหรือว่าพยายามฝึ ก, กจิตแล้วเนี่ยอย่างเช่นเห็นว่าเออพ่อแม่นี่เป็นแค่สมมุตินะความเป็นพ่อเป็นแม่ที่สมมุติหรือบางทีบอกพ่อแม่ไม่ใช่ของเราพอคิดแบบนี้เข้านะก็เลยหบอกฉันไม่ทํากิจละไม่ดูแลพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ใช่ของเราพ่อแม่เป็นสมมติะแบบนี้ก็มีนะอันนี้มันเป็นการทํากิจที่มันผิดพลาดเพราะว่า ไม่ได้เข้าใจนะแยกแย้ยไม่ออกระหว่างสมมุตินะนะกับปรมัตาย์แยกไม่ถูกเกี่ยวข้องไม่เป็นแม่พ่อแม่เป็นสมมุติแต่ก็ต้องรู้จักใช้สมมุติให้เป็นเพราะนั้เนี่ยแม้จะทำกิจนะแต่เราก็ต้องทำแม่จะทำจิตนะแต่ก็ต้องไม่ลืมการทำกิจไปด้วยเคยมีน ะ, ะเมื่อสิบ ก, กว่าปีก่อนเนี่ยสุกโตเนี่ยมี ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จักไหนเนี่ยมาแอบตัดสมุนไพรเอาไว้ก่อนสมุนไพรนี่มีเยอะเลยนะแล้วก็มีราคาด้วยก็มีคนมาบอกมีต่อมาก็เลยบอกพระในวัดช่วยกันตามหาเขาหน่อยตามหานี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อให้เขารู้ว่าวัดเนี่ยมีคนดูแลไม่ใช่ว่าจะมาทาอะไรตามใจชอบไม่ได้คิดจะจับเขาไปส่งตำรวจแต่ให้เขารู้ว่า จะมาทำแบบนี้ตามเผอใจไม่ได้เพราะวัดเนี่ยเพราะป่านี่มันมีคนดูแล mm hmm. ก็มีผ้าหลายรูปนะไปช่วยกันนะแต่ก็มีรูปหนึ่งท่านไม่สนใจตอนหลังท่านก็ไปบอกเพื่อนพราดด้วยกันว่า mm hmm. วางแล้วปล่อยวางแล้วป่าไม่ใช่ของเราอันนี้เรียกว่าทำจิตนะแต่ไม่ทากิจนะจริงนะนก็จริงนะป่าไม่ใช่ของเรานะแต่ว่า ป่านี้ก็มีประโยชน์ต่อเราเองต่อเพื่อนพระต่อสรรพชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเมตตากรุณาต่อป่าต่อสรรพชีวิตเราก็ต้องช่วยกันรักษาป่าถ้าใครมาทําลายป่าไม่ว่าในรูปใดเราก็ช่วยป้องกันหรือจะมองว่าเนี่ยป่ามีพกคุณกับเราก็ได้ไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่เขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องช่วยปกป้องดูแลรัลกษาเขา ถ้าเราไม่มีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเราจะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่านะทําจิตแต่ไม่ทํากิจนะแล้วก็เป็นการทํากิจที่เป็นการทําจิตที่มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยถึงธรรมเท่าไหร่มันก็มีแบบนี้เยอะนะพราะไปคิดว่าเนี่ยพุทธศาสนาเป็นเรื่องการทําจิตโดยเพราะเวลามาศึกษาทําหรือ มาเรียนรู้ธรรมะเรื่องการปล่อยวางแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหลวงพ่อชา้านเคยเล่าว่าเนี่ยสมัยที่วัดหนองประพง์เนี่ยยังเป็นวัดที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่เนี่ยกุฏิหลายหลังนี่ก็ เป็นกุฏิที่สร้างง่ายๆนะหลังคาก็มุงแฝกมีวันหนึ่งมีพายุเข้านะกุฏิหลังหนึ่งเนี่ยนะก็โดนพายุพัดเนี่ยหลังคาหัวไปครึ่งหนึ่งพระที่อยู่ในกุฏินั้นเนี่ยท่านก็เฉยผ่านไปหลายวันหลวงพ่อชาก็ถามว่าถามในกุฏิท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไร และแถมพูดมากไปขนาดว่าเนี่ยท่านกำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมัน่นผมวงพ่อชาก็เลยตาหนินะว่าเนี่ยการยึดมั่นถือมั่นเราต้องใช้ปัญญานะต้องใช้สมองนะไอการที่ท่านยึดมัน่นที่การอาการที่ท่านเนี่ยฝึกความไม่ยึดมั่นโดยไม่ใช้สมองเนี่ยมันก็เหมือนกับการวางเฉยของควายเลยนะ การไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือการปล่อยวางเนี่ยกับการวางเฉยหรือปล่อยปละละเลยนี่ไม่เหมือนกันนะอย่จะมองอยงง่ายเลคือว่าท่านทําจิตนะแต่ว่าไม่ทํากิตทําจิตเนี่ยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ทุกข์กับการที่หลังคาเนี่ยมันเสียหายน้ํารั่วฝนรั่วตกลงมาเนี่ยไม่ทุกข์ร้อนอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าก็ต้องทํำจิตด้วยก็คือซ่อม เมือเวาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราเจ็บป่วยนะยนะแต่ว่าเราไม่ทุกข์นะเพราะเราฝึกจิตปล่อยวางปล่อยวางเวทนานะหรือว่าปล่อยวางร่างกายนี้นะอันนี้ดีแล้วนะฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความเจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่พ่าก็ต้องเยียยารักษาร่างกายด้วยนะจะทําจิตอย่างได้ไม่พอต้องทํากิจด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องระมัดระวังต้องเข้าใจคนส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งไม่ค่อยสนใจธรรมะเนี่ยเขาจะสนใจแต่แค่ทำกิจแต่ว่าไม่ทำจิตกินข้าวก็ปล่อยใจลอยทำงานนี่ก็ไม่ได้ดูแลรักษาใจเลยทำไปก็ทุกไปทำไปก็เครียดไปมีทีทำงานเพื่อส่วนรวมหรือไม่น่าที่จรับผิดชอบต่อส่วนรวมแต่ว่าก็กับ ทุจริตคอร์หรือว่ า, าเลิกทิ้งงานกลางคันเพราะว่าท้อทแท้หรือบางคนก็เหนื่อยล้าเครียดจนเป็นโรคประสาทก็มีนะทั้งที่อที่ตัวเพื่อส่วนรวมบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนฆ่าตัวตายก็มีไม่น้อยอันนี้เราว่าทำกิจแต่ไม่ทำจิตแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะผู้ที่มาสนใจธรรมะสนใจปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จํานวนไม่น้อยก็จะเวี่ยงไปอีกทางนึงนะก็คือว่า ทำจิตแต่ไม่ทำกิจนะฉันจะทำสมาธิฉันจะฝึกสติอย่างเดียวนะเรื่องส่วนรวมนี่ฉันไม่สนใจนะเมื่อจะเป็นงานครัวงานทำความสะอาดวัดกวาดกุฏิฉันไม่สนใจนะหรือว่าการดูแลป่าฉันไม่สนใจฉันจะทำจิตอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าในสุดมันก็ จ, จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวที่มาในรูปของการปฏิบัติธรรมก็ได้ มันต้องทำให้คู่คู่ทัองสองให้ครบทั้งสองอย่างนะทั้งทำกิจแล้วก็ทำจิตหรือว่าทำงานนอกและงานในนะต้องทำคู่กันไม่ทิ้งกันะ lire, ถ้างานภายนอกงานภายในนะเราไม่ทิ้งกันมันก็ทำให้เกิดความเจริญทั้งและเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพรนะพุทธศาสนาเน้นให้ความสำคัญทั้งสองอย่างนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่ ทำงานนอกและงานในควบคู่กันจริงไม่ใช่แค่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวแม้ประโยชน์ตนก็เหมือนกันนะประโยชน์ตนมาถึงพร้อมได้เนี่ยก็เพราะงานนอกงานในไม่ทิ้งกันควบคู่กันไปถ้าทําแต่ด้านใดด้านหนึ่งก็อาจจะเกิดความเสียหายได้หรือเกิดประโยชน์ที่ไม่ครบถ้วนเอาอย่างนี้ก็พุทธนี้นะเอากรับ